คอลัมน์ง่ายคิดจากหนังตอนมันสเตอร์อินวายร้ายตัวน้อยโดยชนละนินการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กดื้อคนหนึ่งไม่เชื่อฟังพ่อแม่ถึงเวลานอนไม่ยอมนอนห่วงแต่เล่นดูทีวีตอนเช้าเลงงองแงไม่ยอมตื่นไปโรงเรียนระวังนะพอตกกลางคืนน่ะจะมีสัตว์ประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวออกจากตู้เสื้อผ้ามาหลอกเด็กคนนั้นเพราะฉะนั้นหนูรีบขอนอนซะนะจา๊ะ นี่อาจเป็นนิทานก่อนนอนที่โบราณไปซะแล้วถ้าให้ทันสมัยอีกนิดต้องเล่าว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองในเมืองสัตว์ประหลาดได้เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนขึ้นมีมนุษย์เด็กคนหนึ่งพัดหลงเข้ามาทำให้เหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายเกิดความหวาดกลัวก่อกลาหนกันยกใหญ่เพราะตอนนั้นใครๆก็คิดว่ามนุษย์เด็กเป็นภัยร้ายแรงถ้าใครโดนเข้าจะเหมือนติดโรคร้ายไม่มีทางรักษาแต่เมืองสัตว์ประหลาด จำเป็นต้องใช้เสียงหวิดร้องจากความหวาดกลัวของมนุษย์เด็กมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนจึงส่งกลุ่มสัตว์ประหลาดใจกล้ามากฝีมือออกไปหลอกล้อนเด็กๆเพื่อให้ได้เสียงหวิดร้องกลับมาทั้งที่ตัวเองก็กลัวแทบตายเจมส์พีซันลิแวนสัตว์ประหลาดสุดยอดนักหลอกมนุษย์เด็กกลับทํางานพลาดพามนุษย์เด็กเข้าเมืองโดยไม่รู้ตัวทําให้ประชากรสัตว์ประหลาดแตกตื่นหวาดกลัวทุกหัวระแหง ก่อนที่เขาและมนุษย์เด็กจะสอนให้เหล่าสัตว์ประหลาดรู้ว่าเสียงหวิดร้องด้วยความหวาดกลัวอาจสร้างพลังงานขับเคลื่อนเมืองก็จริงแต่เสียงหัหเราะจากใจที่เบิกบานเป็นสุขกลับให้พลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์มากกว่านับร้อยๆเท่านิทานเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าอตั้งใจฟังนะอย่ามองอะไรแค่ภายนอกสัตว์ประหลาดที่หน้าตาน่ากลัว อาจมีจิตใจดีงามอ่อนโยนก็ได้อย่าเชื่ออะไรเพียงเขาเล่าตาตามกันมามนุษย์เด็กที่ชาวสัตว์ประหลาดกลัวกันนักกันหนากลับไม่มีพิษภัยอะไรแต่ก็ยกเว้นตอนแหกปากร้องกรี๊ดกรี๊ดนะหากกล้าเข้าไปทำความรู้จักจริงๆอาจเจอสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอันปราศจากมายาที่สร้างพลังขับเคลื่อนบริสุทธิ์ให้กาลังมหาศาลแก่โลกสัตว์ประหลาด แล้วนิทานเรื่องเนี้ยังสอนอะไรอีกบ้างนะขณะที่ซ u นลิแวนได้มองเห็นหน้าตัวเองในจอวิดีโอตอนกำลังสยะเคี้ยวหลอกมนุษย์เด็กทำให้เขารู้จักตนเองอีกด้านที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่แน่นะเขาอาจนึกกลัวตัวเองขึ้นมาเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสัตว์ประหลาดอีกกี่ตนที่มีโอกาสได้มองตัวเองเช่นเดียวกับซันลิวแวนนอกจากซันลิแวน จะได้เห็นตัวเองเขายัางได้รู้อีกว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือความหลงคิดผิดเข้าใจผิดและยังนำความคิดผิดเข้าใจผิดเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้ชาวเมืองหลงเชื่อตามด้วยความน่ากลัวของเจ้าไวร้ายมนุษย์เด็กตอนแหกปากร้องกรีดกรดีเอาแต่ใจอาจชวนให้ใครๆวิ่งหนีไม่อยากอยู่ใกล้แต่ถ้าเราเข้าไปเพื่อรู้ในสิ่งนั้นจริงๆจะเห็นว่าไม่มีมนุษย์เด็กคนไหน ร้องกรี๊ดกรีดได้ตลอดเวลาเหนื่อยเมื่อไหร่ก็เงียบมีนมกินก็หยุดพอง่วงก็หลับทำตัวเป็นแค่ผู้ดูกันบ้างสิและจะเห็นทั้งเวลาเจ้าวัยร้ายตัวน้อยกรีดร้องดื้อรั้นเล่นสนุกดิ่งเงียบและเวลาที่เขายิ้มแย้มหัวเราะเ อ, อิกอากแจ่มใสและไม่นานวัยร้ายตัวน้อยนั้นก็จะเติบโตและจากไปโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากไล่ซักคา นิทานจบแล้วรีบเข้านอนแต่หัวค่ำนะถ้าพรุ่งนี้งองแงไม่ยอมตื่นไปโรงเรียนแล้วก็โตมาใช่ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังไม่ตายถ้ายังสบายเดี๋ยวจะมารับสายมีเรื่องด่วนไหมหรือมีเรื่องปวดใจจะช่วยยังไงยังเอาตัวเองไม่ร 的云淡。